อ่าวันนี้นะเป็นวันสําคัญนะสำหรับชาวพุทธเพราะว่านอกจากเป็นวันพระใหญ่แล้วนะยังเป็นวันบนรรพบุรุษด้วยพวกเราทุกคนเนี่ยย่อมมีพ่อมีแม่มีผู้ญาตตายายมีบรรพบรุษส่วนใหญ่ก็ละโลกนี้ไปแล้วบางคนโชคดีนะยังมีพ่อมีแม่มีปู้ญาติตายายอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ปรโลกแล้ว แล้วเราก็มีความเชื่อว่าวันนี้เนี่ยท่านที่อยู่ประโรค ก, ก็จะกลับมาสู่โลกนี้เพื่อมารับส่วนบุญของลูกหลานดังนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยมาที่วัดกันเพื่อมาบรนเพ็งกุศลุททิดให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบรุษที่ล่วงลับอยู่ในภพ ต่างต่างกันบางท่านก็สุขสบายแล้วมีอาหารทิพย์มีภูษาทิพย์นะมีความสุขที่เรียกว่าสุขทิพย์แต่บางท่านก็อยู่ในพบที่ไม่สะดวกสบายอาหารขาดแคลนเสื้อผ้าอาพรก็ขาดแคลนตกอยู่ในราวะที่หิวโหวยนะ ลเสื้อผ้าอาภรณ์แต่วันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ลูกหลานจะได้เกื้อเพื้อเกื้อกูลท่านด้วยการบาเพ็ญบุญกุศลไปให้รวมทั้งแต่งอาหารไปให้สำหรับท่านที่หิวโหยหรือว่าอยู่ในพบที่ไม่สะดวกสบายอันนี้ก็ถือว่าเป็น หน้าที่อย่างหนึ่งนะของลูกหลานหรือผู้ที่ยังอยู่หน้าที่ที่ว่าคือการตอบแทนบุญคุณของท่านซึ่งก็รวมถึงว่าเมื่อท่านล่วงลับนะดับขันไปก็ทำบุญอุทิศไปให้กับท่านเพราะว่าผู้ที่ลงลับไปนั้นเนี่ย แม้ว่าจะเคยมีทรัพย์สมบัติมากมายมีที่ดินหลายแปลงมีบ้านหลังใหญ่มีแก้วแหวนเงินทองหรือแม้แต่จะมีเงินนับล้านล้านสิบล้านร้อยล้านแต่เมื่อตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่างแต่สิ่งที่จะเกื้อนหนุนให้ท่าเหล่านั้นเนี่ยได้ ประสบสุขในสัมรเวพบก็คือบุญกุศลอันนี้ก็จึงเป็นหน้าที่นะของลูกหลานที่ยังอยู่บาเพ็ญกุศลไปให้กับท่านจริงก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะวันอื่นๆโอกาสอื่ น, น, น, นๆเราก็ทำนะอังเช่นวันปีใหม่วันสงกรานต์แต่ว่าวันนี้เป็นพิเศษเพราะว่าผู้ที่ลงลับเนี่ยอยู่ปรโรคพบใดเนี่ย ก็จะได้กลับมาสู่โลกนี้ในวันนี้นะอันนี้เป็นความเชื่อพื้นบ้านนะของคนไทยดังนั้นก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้บำเพ็ญกุศลด้วยการถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์เปลี่ยนทานเป็นบุญและบุญนั้นก็อุทิศให้กับผู้ที่ร่วงลับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ในพบใด บางท่านก็อยู่ในภพที่เต็มไปด้วยบุญกุศลอยู่แล้วแต่บางท่านก็ยังอยู่ในภพที่ขาดแคลมเราก็อุทิศไปให้แล้วบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้นี่ก็จะแผ่ไปถึงบรรพบุรุษไม่ใช่เฉพาะที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายของเราในภพนี้รวมถึงพ่อเป็นอื่นด้วยเพราะว่าเรานะเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วเนี่ยก็มี พ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษสารโลหิตมากมายนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญที่เราอุทิศไปให้ก็จะไม่สูญเปล่าก็จะตกถึงท่านเหล่านั้นนะไม่มากก่็ น, น้อยอันนี้เนี่ยพูดถึงการตอบแทนบุญคุณของบรรพบุรุษโดยพ่อพ่อแม่เนี่ยนอกจากการอุทิศบุญกุศลให้กับท่าน ด้วยการถวายสังฆทานแล้วเรางทำได้อีกหลายอย่างนะเช่นประพฤติตัวให้เป็นคนดีมีความสุขสมกับเป็นลูกเป็นหลานของท่านหลายคนไม่คิดนะว่าเนี่ยการที่เราทําตนให้เป็นคนดีนะมันเป็นการตอบแทนบุญคุณของบรรพ บ, บุรุษตอนนี้เพราะว่าพ่อแม่ก็ดีลูกหลานก็ดีพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีก็ปรารถนาจะให้เราเป็นคนดีมีความสุข ถ้าเราประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมนะก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณของท่านหากว่าท่านมียานวิธีใดในปรโรภแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนดีมีความสุขท่านก็จะยินดีหลายคนประพฤติตัวนะไม่สมกับเป็นลูกหลานของท่านหรือว่าไม่จะเป็นคนดีแต่ว่า ปล่อยใจให้จมอยู่ในความทุกข์อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทําตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เพราะพ่ อ, พอแม่เนี่ยนะรวมทั้งปุญญาตายายก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยเป็นคนดีและมีความสุขด้วยท่านอุสาเลี้ยงดูเรามาถ้าท่านมาพบว่าเรามีความทุกข์วนบางคนนึกถึงการฆ่าตัวตายบางคนเป็นโรคจิตโรคประสาท อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทำตัวให้สมกับเป็นลูกที่ดีเป็นหลานที่ดีของท่านให้เราเรารึกตรงนี้ด้วยรวมทั้งการทำความดีเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงวงตระกูลของท่า น, นถ้าเราทาดีคนก็ชมไม่ได้ชมเราอย่างเดียวชมพ่อชมแม่ชมปุยยตายายว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาดีแต่ถ้าเราทำาตัวเ ก, ก, เ, กเกเมื่อไรเกเร เขาก็จะพูดว่าเนี่ยพ่อแม่ไ ม, ม, ม่สั่งสอนนะปู่ย่าตายายไม่สั่งสอนหรือไงถึงทำตัวแบบนี้ก็ไม่อันว่าเสียชื่อเสียงของท่านแม้ท่านจะล่วงลับดับไปแล้วนะนั้นเนี่ยการรักษาชื่อเสียงหรือวงตระกูลของท่านให้คนได้ชมว่าเนี่ยท่านเหล่านั้นเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นปู่ย่าตายายที่ดีเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราด้วย นี่คือวิธีการตอบแทนบุญคุณนาะที่เราจะต้องให้ความสำคัญและขณะเดียวกันน้่ถ้าว่าเราเราลึกว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเหมือนกันเราก็จะเดินตามพ่อแม่บรรพบุรุษไปสู่ปรโลกถึงตอนนั้นเราก็ต้องการบุญกุศลจากลูกจากหลาน ว่าเราอยากจะได้บุญกุศลจากลูกหลานเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะในปโลกก็ต้องคิดไปก็ต้องคิดถึงขั้นว่าเนี่ยเราก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีมีลูกดูแลลูกมีหลานดูแลหลานด้วยความรักด้วยความเอาใ จ, า ใ, จใส่ไม่ใช่เลี้ยงแบบทิ้งๆคว่างๆนะเดี๋ยวนี้มีลูกแล้วก็ไม่ค่อยเลี้ยงลูกมีหลานไม่ค่อยเลี้ยงหลานปล่อยให้โทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์มันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแทนนะ มีเวลาก็แทนที่จะ เ, เวลาไปดูแลลูกหลานก็เอาเวลาไปทาอย่างอื่นไปเล่นไพ่หรือว่าไปดูโทรทัศน์ทิ้งลูกหลานให้อยู่กับโทรศัพท์มือถือเพราะคิดว่าจะได้ตัดความรำคาญแบบนี้ระวังเด้อเพราะลูกหลานโตแล้วนี่เขาก็จะไม่ระลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายถึงเวลาเราตายนี่เขาก็อาจจะละเลย ไม่สนใจที่จะทำบุญอุทิศไปให้อันนี้ก็เกิดขึ้นมากมายนะทุกวันนี้เนี่ยลูกหลานจำนวนมากไม่ได้สนใจพ่อแม่เท่าไหร่แล้วก็หลายคนก็คิดว่าพ่อแม่ไม่รักตัวพอคิดว่าพ่อแม่ไม่รักตัวเองก็ไม่ได้มีความรักซาบซึ้งในพ่อแม่หรือระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่พอพ่อแม่ตายไปหรือปู่ย่าตายายตายไปลูกหลานก็ ไม่สนใจทำบุญให้อันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆถึงตอนนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ปรลลอโลกก็จะอดอยากปากแห้งได้แต่ถ้าเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาดีก็มั่นใจได้ว่าถึงเวลาเราไปอยู่ปัลลโลกก็จะมีลูกหลานนึกถึงและทำบุญอุทิศไปให้ก็จะไม่หิวโหยนะไม่หนาวเหน็บ พาอมีอาหารมีปัจจัยสี่หรือมีบุญกุศลช่วยหนุนเสริมนะให้เป็นสุขในสัมภปรภพบแต่บางคนก็ จ, จะเป็นห่วงนะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีลูกไม่มีหลานเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เนี่ยมีลูกกันน้อยลงบางทีก็ไม่มีลูกเลยมีหลานก็มีหลานน้อยก็อาจจะห่วงว่าเนี่ยถ้าตายไปแล้วนี่ใครจะ ทำบุญอุทิศไปให้อันนี้แกได้ไม่ยากนะถึงแม้ไม่มีลูกไม่มีหลานก็ทําตัวให้เป็นคนดีสิมีศีลมีธรรมสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเราสร้างบุญกุศลอยู่เสมอด้วยการทําความดีมีศีลธรรมบําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ นะกับเพื่อนบ้านเราก็จะมีบุญกุศลสนะ ส, สมเอาไว้เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์บุญกุศลเรานีนะ่คือสเสบียงเรียกว่าสเสบียงบุญที่จะติดตามเราไปสู่ภพหน้าถึงตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงหรือไม่ต้องวิตกว่าจะมีใครมาอุทิศบุญกุศลให้เราหรือเปล่าเพราะว่าบุญกุศลที่เราบําเพ็ญในโลกนี้ มันมากพอนะที่จะไปอำนวยสุขให้กับเราในภพหน้าไม่มีลูกไม่มีหลานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็มีความดีที่ได้ทำสะสมเอาไว้ในยานที่มีชีวิตยอยู่อันนี้แหละนะคือสเสบียงบุญที่เราต้องสนใจอย่าไปหวังพึ่งลูกหลานมากนะเพราะลูกหลานอาจจะไม่สนใจเรา เมื่อเราตายจากไปหรือไม่มีลูกไม่มีหลานที่จะนึกถึงเราแต่เรามีบุญกุศลที่ได้สะสมเอาไว้ด้วยการรักษาศีล น, นะไม่ใช่แค่ศีลหา่างเดียวแต่ว่าศีลอย่างอื่นด้วยเพราะศีลน่ะคือการไม่เบียดเบียนแต่นอกจากไม่เบียดเบียนแล้วเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเมตตากรุณารู้จักให้ทานนะ รู้จักพูดโดยคำไพเราะให้กำลังใจคนเรียกว่าปิยวาจานะรู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยการลงทุนลงการลงแรงให้สติปัญญาเรียกว่าอัจจจริยาแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนที่เดือดร้อนธรรมะเหล่านี้เนี่ยมันก็คือบุญกุศล น, นะที่จะส่งเสริมํำนวยให้เราได้ประสบสุขในสัมปทาภพและที่จริงไม่ต้องร้อยสุขหลังตายนะ มันช่วยทําให้เรามีความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ในภพนี้ก็ยังมีความสุขได้ให้เราลึกถึงความดีเอาไว้นะแล้วก็มันสร้างสงฆ์ทำความดีไม่ใช่ทํากับพระอย่างเดียวไม่มีเวลามาวัดไม่มีเวลามาถวายสังฆทานให้กับพระก็ยังทําบุญได้ทําบุญให้กับลูกกับหลานทําบุญให้กับพ่อแม่ทําบุญให้กับเพื่อนบ้านและถ้าทาบุญให้พ่อแม่ก็ทําขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่ารใอยทำเมื่อท่านตายไปแล้วนะเลี้ยงดูท่านดูแลท่านนะฟังคำแนะนำสั่งสอนท่านให้เวลากับท่านถ้าเราดูแลท่านขณะที่มีชีวิตยอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าเราทำหน้าที่แล้วไม่ใช่ว่ามาทําบุญก็ต่อเมื่อท่านตายไปแล้วอันนั้นมันไม่ดีเท่ากับทําบุญในขณะที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่เป็นการต่อลมหายใจต่ อ, อย่ให้กับท่านด้วยเอาแล้วก็นุโมทนานะขอให้ญาติโยมทุกคนนะ ได้เจริญด้วยอายุวันนาสุขภาภละขอให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกนะทุกไม่กำกลายอันตรายไม่เผ่าพานให้พบความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิด